จเจริญพท่านพุทธศาสนชนผู้มีจิตศรัท ธ, ธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16มกราคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้จ้างใจมาวัด เพื่อมาปฏิบัติภารกิจมาทำทุระที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้แก่พุทธบรอยสัตว์ได้ปฏิบัติได้ดำเนินเพราะเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญความแคลวคกร่งปลอดภัย อย่ทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงทุระที่พระพุทธเจ้าส่งบ้ามให้นี้มีอยู่สองทุระด้วยกันเรียกว่า 1. คันธะทุระวิปัสสนาทุระนี่คือทุระหรือหน้าที่การงานทางศาสนาที่พุทธศาสนิกชนควรจะปฏิบัติถ้าอยากจะได้รับผลประโยชน์ จากพระพุทธศาสนาเพราะการที่มีความเคารพนับถือเรื่องใสมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่เพียงพอต่อการยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ตนได้ประโยชน์สุขที่จะเกิดนั้นต้องเกิดจากการกระธรรมคือการกระทาทุระสองประการนี้ คันธุระนี้แปลว่าการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวิปัสสนาธุระแปลว่าการทำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้แจ้งเห็นจริงให้ปรากฏขึ้นมาในจิตใจของตนนี่คือหน้าที่ที่มีความสำคัญทั้งสองส่วน ซึ่งจะขาดไม่ได้จะทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเพียงเดียวนี้จะไม่พอเพียงต่อการที่จะยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นในเบื้องต้นนี้ทรงสอนให้ทำคันถาธุระคือให้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง การศึกษานี้ก็มีหลายรูปแบบในสมัยปัจจุบันในสมัยพุทธกาลนี้ก็มีเพียงรูปแบบเดียวคือการฟังเทศฟังธรรมเพราะในสมัยนั้นคนจะไม่มีความสามารถที่จะอ่านหนังสือได้แต่ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาคนก็มีการ มีการสามารถเขียนและอ่านหนังสือได้ว่าทำคำสอนของพ่อพระพเจ้าจึงได้ถูกจารึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็มีการศึกษาด้วยการอ่านด้วยการอ่านและต่อมาในสมัยปัจจุบันก็มีสื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกก็มีการดูภาพ ดูโทรทัศน์ดูภาพบันทึกหรือการฟังเสียงที่บันทึกไว้ในสื่อต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นคันถะทุระคือเป็นการศึกษาแนวทางของการดำเนินชีวิตที่จะนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนและความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ยั่งยืนต่อไปอยู่ที่การศึกษาก่อน เพราะการศึกษานี้ก็เป็นเหมือนกับมีแผนที่ถ้าเราจะเดินทางไปในที่ที่เราไม่เคยไปถ้าเราไม่มีแผนที่บอกทางเราก็จะไม่สามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกันได้แต่ถ้าเรามีแผนที่แล้วเราก็จะสามารถเดินทาง ไปถึงจุดหมายปลายทางได้การศึกษาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากระทำอะไรบ้างถ้าเราศึกษาเช่นวันนี้เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะทราบว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงสอนสามหลักใหญ่ด้วยกันคือหนึ่ง ให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมสอให้ละบาปทั้งปวงให้หมดสิ้นไปสให้ชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์คือกำจัดความโลภความโกรธความหลงเครื่องเศร้ามองที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนี่คือหลักใหญ่ของคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วในแต่ละหลักนี้ก็จะมีรายละเอียด การทำความดีเป็นอย่างไรการละบาปเป็นอย่างไรการทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ทำได้อย่างไรก็ยังมีความการกระทำความดีนี้ก็มี ม, มีหลักที่ใหญ่ๆอยู่คือการกระทำที่เกิดคุณเกิดประโยชน์กับตนก็ดีกับผู้อื่นก็ดี หรือกับตนและกับผู้อื่นก็ดีทางกายทางวาจาหรือทางใจนี่เรียกว่าเป็นการทําความดีส่วนการทําบาป ก, ก็คือการทําสิ่งที่ทําให้เกิดโทษกับตนเองก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นก็ดีทางกาย ก็ดีทางวาจาก็ดีหรือทางใจก็ดีเรียกว่าเป็นบาปนะไม่ควรกระทาให้ละเสียส่วนการทาละจิตใจให้สะอาดโดยสุดก็ต้องเกิดจากการบำเพ็ญจิตตภาวนาการภาวนานี้เป็นการซักฟอกจิตใจเป็นเหมือนกับซักเสื้อผ้าการภาวนานี้จะทําให้ ใจสะอาดต่อสุดการภาวนานี้ก็มีอยู่สองส่วนเรียกว่าสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาสมถภาวนาคือการทำใจให้สงบส่วนวิปัสนานี่เป็นการสอนใจให้รู้รู้ถึงความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัส ร, รับรู้มาเกี่ยวข้องด้วย ว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไปหลงไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้และเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ของตนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะสามารถควบคุม บ, คบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของตนได้นี่คือ งานหลักๆของพุทธศาสนิกชนทําความดีทั้งหลายถึงพร้อมทํากับใครก็ได้ไม่หมายความว่าจะต้องมาที่วัดทําบุญกับพระอย่างเดียวการทําบุญกับพระก็เป็นวิธีหนึ่งของการทําความดีแต่การทําบุญหรือทําความทําอะไรให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นพระก็เป็นก็เป็นการทําความดีเหมือนกัน เนทำกทำประโยชน์ให้แก่พ่อให้แก่แม่ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำความดีเป็นการแสดงความกระตำยูกระตวเวทีเป็นความสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นและตอบแทนบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายนี่ก็เรียกว่าเป็นการทำความดีหรือการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ที่เราไม่รู้จักเช่นสาธารณประโยชน์ทำจ่จบอยจากเงินสร้างโรงพยาบาลก็ได้สร้างโรงเรียนก็ได้ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสก็ได้หรือจะให้ข้าวของต่างๆแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเลืดต้ อ, ตอน เหล่านี้เรียกว่าเป็นการทำความดีซึ่งเราสามารถทำได้เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดถ้าเราเห็นผู้ใดเดือดร้อนเราก็ควรที่จะช่วยเหลือตามแต่ฐานะของเรามีมากก็ช่วยมากมีน้อยก็ช่วยน้อยอย่าไปวิตกกังวลว่าเราต้องช่วยมากๆเหมือนคนอื่น พอเราไม่ได้ช่วยมากเราไม่มีมากเราก็ไม่ช่วยเลยอย่างนี้ก็จะไม่ได้ทําความดีทุกคนสามารถทําความดีได้ในขอบเขตของความสามารถของตนแม้แต่ไม่มีเงินทองก็ยังทําความดีได้เช่นเราช่วยรักษาบ้านเมืองให้สะอาดเราไปไหนมาไหนหเหตุคนทิ้งขยะเกจกระนกหู่โรคตา เราช่วยกันเก็บใส่ถุงออมาทิ้งทั้งขยะอย่างนี้ก็เป็นการทำความดีหรือเห็นสถานที่ที่สปกปรกเช่นห้องน้ำสาธารณะต่างๆถ้าเรามีเวลาเราก็ทําความสะอาดห้องน้ำต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการทำความดีได้เหมือนกันไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเงินทองมากๆถึงจะทาความดีได้คนเราทุกคนนี้ ทำความดีได้ด้วยกายวาจาและใจของเราเป็นหลักส่วนเครื่อของเงินทองสิ่งของต่างๆนี้เป็นเครื่องมือเป็นส่วนประกอบเท่านั้นแม้แต่ถ้าเราไม่มีไม่สามารถทําอะไรด้วยร่างกายของเราได้เราก็ยังทําความดีได้ด้วยทางจิตใจของเราเช่นให้เรามีความเมตตากรุณาโมติตาอุเบกขา คือให้คิดดีต่อผู้อื่นให้มีความปรารถนาดีให้มีความสงสารให้มีความดีในความเจริญในความสุขของผู้อื่นและถ้าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยก็ให้เราทำใจวางเฉยขอให้เราคิดว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยสมมติว่าเราอยากจะทำความดีช่วยคนอื่นแต่เราไม่มีปัญญาไม่มีกำลังความสามารถ เช่นร่างกายเราพิกลพิการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เรายังอยากจะทําความดีก็ขอให้เราทาความดีด้วยการทาใจของเราให้เป็นอุบเบกขาเพราะถ้าเราไปรู้สึกไม่ดีที่เราไม่ได้ทำความดีเหมือนคนอื่นที่เขาได้ทำกันเราก็จะเกิดความน้อยเนื้อต่าใจรู้สึกไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจซึ่งเป็นการกระทาไม่ดี ให้แก่ตัวเราเมื่อเราไม่สามารถทําอะไรได้จริงๆเราก็ต้องทําใจให้เป็นอุเบกขาคือยอมรับความจริงว่าเราทําไม่ได้แต่ก็ไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องมาโทษตัวเราเองมาทําให้ตัวเราเองต้องเสีย อ, อกเสียใจโดยเปล่าประโยชน์ขอให้เราคิดว่าคนเหล่านั้นมีบุญมีกรรมมาไม่เท่ากัน บางคนมีบุญมากก็สามารถทำความดีได้มากบางคนมีบุญน้อยก็ทำความดีได้น้อยแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทำให้เรานี้ไม่มีความสุขได้คนเราทุกคนนี้สามารถมีความสุขใจได้ด้วยกันทุกคนถ้ารู้จักคิดให้ดีเท่านั้นเองนี่คือเรื่องของการทำความดี ทางกายทางวาจาและทางใจที่เราควรที่จะทำเสมออย่าคิดจะทำแต่เฉพาะกับพระภิกษุพระผูะปะ้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเท่านั้นกับคนอื่นก็ทำได้เหมือนกันเป็นประโยชน์เหมือนกันทำให้เรามีจิตใจที่ดีเพราะพระพุทธเจ้านี้ทรงสอนให้เรา มีความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายคำว่าสัตว์นี้หมายถึงมนุษย์และเทวดาและเดรัจฉานคือทั้งหลายนี้เราควรจะมีความเมตตาให้ต่อกันไม่ต้องเลือกว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นคาวาะหรือเป็ น, เ ป, น เ, เป็นนัก บ, บวชทำได้ ขาให้เราอย่าไปแบ่งชั้นวั น, นะในเรื่องการทำความดีในเรื่องการช่วยเหลือบุคคลต่างๆแต่เราอาจจะช่วยตามสภาพที่เหมาะสมของแต่และคนซึ่งไม่เหมือนกันเด็กเราก็จะช่วยแบบหนึ่งผู้ใหญ่เราก็จะช่วยแบบหนึ่งคนที่มีมากเราก็ช่วยแบบหนึ่งคนที่มีน้อยเราก็ช่วยแบบหนึ่ง ไม่จำเป็นว่าจะต้องช่วยเหมือนกันเท่ากันไปหมดช่วยไปตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลและของแต่ละเหตุการณ์และการช่วยของเรานี้ควรจะคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับที่ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากเราอย่าช่วยในลักษณะที่จะทำให้เกิดโทษกับเขาเช่นถ้าคนเขาไม่ มีอาหารอย่างนี้ในเบื้องต้นเราก็ช่วยให้เขามีอาหารรัประทาประทางชีพไปก่อนแล้วขั้นต่อไปเราก็ควรจะสอนให้เขารู้จักทรมาหาหากินของเขาเอง<ม>เช่นตอนต้นให้ปลาเขาไปก่อนให้เขากินไปก่อนขั้นต่อไปก็สอนให้เขารู้จักวิธีจับปลาตกปลา พอเขารู้จักวิธีหาปลาได้เองแล้วต่อไปเขาก็ไม่ต้องมาอาศัยเราอีกแต่ถ้าเราให้เขาอยู่ตลอดเวลาโดยที่เขาไม่มีความรู้จากการหาหาอาหารเลี้ยงตัวเขาเองเลยเขาก็จะต้องอ า, อาศัยเราไปตลอดแ้ถ้าเกิดเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้เขาก็จะต้องเดิ อ, อดรน ดังนั้นการที่เราจะช่วยเหลือผู้อื่นเราควรจะช่วยเหลือให้เขาได้ช่วยเหลือตนเองให้เป็นที่พึ่งขอ ง, ของเขาเองให้ได้แล้วก็อย่าไปช่วยในสิ่งที่เป็นโทษกับเขาเช่นเขาชอบดื่มสุราแล้วอยากจะให้เราซื้อสุราให้เขาดื่มอย่างนี้เราก็ไม่ควรที่จะซื้อให้เขาดื่มสิ่งใดที่เป็นโทษกับเขาทำไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ ก็อย่าไปช่วยเหลือเพราะแทนที่จะช่วยกลับไปทําให้เขาเลวลงไป <c oughs> แย่ลงไปกว่าเก่านี่คือเรื่องของการทําความดีที่ที่เราสามารถทําได้เสมอกับทุกคนทั้งมนุษย์และเดรัจฉานเราก็ช่วยได้สุนัขเราก็ช่วยได้สงเคราะห์ได้ไม่ว่าใครก็ตามถ้าเขาเดือดร้อน เราก็ช่วยได้และจะทำให้เรานี้มีจิตใจที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงนี่คือเป้าหมายของการทำความดีคือผลภายในใจของเราเป็นหลักไม่ได้อยู่ที่ผลภายนอกที่อาจจะเกิดก็ได้หรือไม่อาจก็จะเกิดขึ้นก็ได้เช่นได้รับรางวัลอย่างนี้การทำความดีบางครั้งก็อาจจะได้รับรางวัล ถ้าคนเขาเห็นเราแล้ว เ, เขาอยากจะสนับสนุนส่งเสริมเขาก็อาจจะให้รางวัลกับเราหรือจะให้ให้เราได้รับงานการที่ดีขึ้นได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นก็อาจจะเป็นได้แต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปดังนั้นเวลาเราทําความดีอย่าไปมองผลที่ได้รับจากผู้อื่นขอให้เรามองผลที่เราเกิดขึ้นภายในใจของเรา ถ้าเราทำแล้วมีความสุขสบายมีความปลื้มปิติมีความอิ่มเอิบใจมีความภูมิใจนี่แหละเป็นรางวัลของเราที่แท้จริงเป็นรางวัลที่ดีกว่าสิ่งต่างๆรางวัลต่างๆที่ผู้อื่นจะมอบให้กับเราน่ยอย่างนั้นถ้าถ้าเราไม่ได้รับผลตอบแทนจากผู้อื่นเราก็ไม่เสียใจถ้าเรารู้ว่า ผล ข, ของการทำความดีนั้นอยู่ภายในใจเราแต่คนบางคนนี้อาจจะไม่เข้าใจหลักนี้เวลาทำความดีแล้วไม่ได้รับรางวัลตอบแทนจากผู้อื่นก็จะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจมีความท้อแท้ที่ไม่อยากจะทำความดีอย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดคนบางคนคิดว่าทำดีแล้วจะต้องเจริญในลาบยศเสริญุข และพอไปเห็นคนที่ทำบาป ท, ทำเชื่อแล้วกลับไปเจริญในลาบยศเสริญสุข <c oughs> ก็เลยทำให้ไม่เข้าใจหลักของการกระทำความดีและการกระทำบาปเลยเกิดความสับสนคิดว่าทำบาปกลับได้ได้ประโยชน์ได้ความดี <c oughs> ก็เลยไปทำบาปกันนะสังคมทุกวันนี้ถูกความหลงนี้ครอบงำจิตใจจึงทำให้เห็น ผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นการทำบาปกลายเป็นการทำความดีไปเห็นการทำความดีว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรก็เลยไม่ชอบที่จะทำความดีกันสังคมของเราจรึงว่าวุ่นมีปัญหามากมายกันทุกวันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ทำหน้าที่คือคันธุระนเอง เป็นพุทธแต่เป็นเพียงพุทธแต่ชื่อคือชื่อในทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้เป็นพุทธแท้ที่แท้จริงถ้าเป็นพุทธที่แท้จริงนี้จะต้องรู้จักบาปบุญคุณโทษจะต้องรู้จักว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีอย่างนั้นหน้าที่ของพวกเราจึงต้องศึกษา ต้องทำคำันถธุระนี้ให้สมบูรณ์อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรที่จะได้ฟังได้อ่านหนังสือธรรมะหรือได้ดูการเทศนาว่าก่าวทางสื่อทางโทรทัศน์อาทิตย์ตั้งหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. เราจะได้ความรู้เพิ่มเติม จากสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังน่าสามสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังแต่ยังไม่เข้าใจเมื่อเราได้ฟังซ้ำอีกเราก็จะได้ความเข้าใจที่ดีขึ้นจะทำให้เราหายสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความดีความชั่วว่าเป็นอย่างไรทาดีแล้วได้ดีอย่างไรทําชั่วแล้วได้ชั่วอย่างไรเราจะไม่สงสัย แต่ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังทำคำมะของพระพุทธเจ้าเราก็จะเกิดการสรับสนได้เพราะเห็นคนทําชั่วแล้วได้ด็ดได้ดีได้เจริญในลาบยศสรรเสริญแต่เขาแต่เราไม่รู้ว่าผลที่เขาได้ไม่ดีนั้นอยู่ภายในใจของเขาคือใจของเขานี้จะมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความวิตกกังวลหวาดกลัว ต่างๆนานาจากการกระทาที่ไม่ดีของขังนั้นถ้าไม่เชื่อลองสังเกต ด, ดูตัวเราเองก็ได้เวลาที่เราทำบาปทำไม่ดีเราจะรู้สึกสบายใจหรือไม่แม้แม้แต่ไม่มีเจตนาบางทีก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเช่นมีบางท่านไปขับรถชนชนคนตายโดยไม่มีเจตนาอย่างนี้ก็ยังมีความรู้สึกไม่สบายใจ แต่ถ้าเราเป็นการกระทาที่สุดวิสัยที่ไม่ใช่มีเจตนามีความตั้งใจมีความเครียดแค้นโกรธเคืองต่อบุคคลนั้นการกระทานี้ไม่ได้เป็นการกระทาบาปถือว่าเป็นเรื่องของของสุดวิสัยเราก็ต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาคือบอกว่าคิดว่ามันเป็นเราไม่มีเจตนาเราไม่มีความโกรธแค้นโกรธเคืองกับเขา แต่เราก็พร้อมที่จะรับกับผลที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะาอาจจะมีคดีความกันเกิดขึ้นมาได้และเราอาจจะต้องขึ้นสงขึ้นศาลเพื่อที่ไปชี้แจงความจริงและถ้าเราชี้แจงไม่กระจ่างเราก็อาจจะต้องถูกไปจับเข้าคุกเข้าตารางก็ได้แต่เราก็ต้องทำใจยอมรับ ว่ามันเป็นเรื่องของวิบากรรมของเราก็แล้วกันแต่ใจของเรานี้ถ้าทาใจให้เป็นอุเบกขาได้ก็จะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองนี่ก็เป็นการเป็นการทำความดีทางด้านจิตใจคือคิดให้ถูกคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดากิดมาในโลกนี้ก็ต้องมีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดา มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำบาปเราไม่เราจะไม่กังวลเรารู้ว่าจะไม่มีผลที่จะตามมาหลังจากที่เราตายไปแล้วนี่คือเรื่องของการทำความดีและการทำบาปขอให้เราดูผลที่ใจของเราเป็นหลักถ้าเราทำความดีแล้ว ใจของเราจะมีความสุขมีปิติมีความอิ่มเอิมีความภูมิใจมีความสุขใจนี่แหละคือผลที่แท้จริงส่วนการที่จะได้รับรางวัลในลาบยศจรเสรนญสุขหรือไม่นี้ไม่เป็นเรื่องสำคัญได้ก็เท่านั้นไม่ได้ก็เท่านั้นส่วนการทาบาปก็เช่นเดียวกันถ้าทำบาปแล้วถึงแม้จะได้ดบได้ดีก็ไม่ได้หมายความว่า เป็นผลดผลีเพราะว่าผลที่ไม่ดีมันอยู่ในใจของเราคนเราเวลาทำบาปแล้วใจจะไม่มีความสุขเหมือนกับเวลาทำความดีมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเพราะเวลาทำความดีมจจนีใจจะเย็นใจจะสงบเวลาทำบาปแล้วใจจะร้อนใจจะมีความว้าวุ่นขุ่นมัวมีความไม่สบายอกไม่สบายใจกินไม่ได้นอนน่หลอกนะ ดังนั้นเวลาเราทำอะไรขอให้เราดูที่ใจของเราเป็นหลักแล้วเราจะได้ไม่ไม่สับสนพอทุกครั้งที่เราทำความดีเราจะมีเราจะมีผลดีเกิดขึ้นที่ใจเราทันทีเวลาเราทำบาปมันก็จะเกิดผลไม่ดีที่ใจของเราขึ้นมาทันทีเช่นเดียวกัน <c oughs> ส่วนการทำใจของเราให้สะอาดบอยสุดนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะว่าความไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดของใจของเรานี่เองแล้วที่ทาให้เราต้องเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวต่างๆเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจต่างๆและเป็นเหตุที่ทาให้เรายังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปสิ่งที่อยู่ในใจเราที่เรียกว่ากิเลสตัณหานี่แลเป็นเหตุที่จะ พาให้เราต้องไปเกิดใหม่แล้วเมื่อเราไปเกิดใหม่เราก็ต้องไปพบกับความทุกข์ต่างๆที่ตามมากับความเกิดเช่นความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายการพัดพากจากสิ่งต่างๆที่เรารับที่เราชอบเนี่ยมันก็จะต้องเป็นความทุกข์ที่เราจะต้องรับอีก แต่ถ้าเราสามารถชำระกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจของเราได้เราก็จะไม่ต้องไปเกิด อ, อีกต่อไปเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการพลาดพราดจากสิ่งต่างๆที่เรารักที่เราชอบเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ชำระใจของท่านนั้น จนสะอาดบริสุดธิ์แล้วใจของท่านนี้ไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกแล้วไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปแบกร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทุกขกับร่างกายอันใหม่นี้แต่การไม่เกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าใจนี้ได้สูญหายไปไหนใจก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับใจของเราที่มีอยู่ในขณะนี้แต่เราไม่ใจของเรานี้ไม่มีสถานที่ ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะจับต้องได้ด้วยด้วยร่างกายของเราด้วยมือของเราเพราะใจของเรานี้เป็นรูปเป็นนามธรรมาเป็นเหมือนกับกระแสคลื่นวิทยุที่มีอยู่รอบตัวเราขณะนี้รอบตัวเราขณะนี้จะมีกระแสวิทยุคลื่นวิทยุต่างๆ ถ้าเรามีเครื่องเราก็จะเปิดรับได้เปิดโทรทัศน์เราก็จะรับสัญญาณได้เปิดโทรศัพท์มือถือเราก็จะรับสัญญาณได้เปิดวิทยุเราก็จะรับสัญญาณได้ดญญไดแต่เรามองไม่เห็นการที่เรามองไม่เห็นนี้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นหายสาบสูญไปแต่อย่างใดฉันใดใจของเราที่เป็นผู้มีความรู้สึกนึกคิดนี้ ก็ไม่ได้หายไปไหนเวลาที่ไม่ได้มีร่างกายมาเป็นเครื่องมือก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเดิมมีความสุขเหมือนเดิมมีความทุกข์เหมือนเดิมเชนเวลาสมมุติเวลาที่เราตายไปแล้วแล้วเรายังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเดราจฉานตอนนั้นใจของเราก็เป็นกายทิพย์ไปกายทิพย์ชนิดต่างๆ กายทิพย์ชนิดที่มีความสุขมากก็เรียกว่าพวกเทพพวกพรหมกายทิพย์ที่มีความทุกข์มากก็พวกเปรดพวกนรกนี่ก็เป็นใจนี้เองไม่ได้เป็นใครที่ไหนไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเกิดเป็นเดราชานก็ไม่ได้หมายความว่าได้หายสาบสิงไปไหนก็ยังเป็นใจอยู่เป็นใจที่ยังมีความสุขมีความทุกข์อยู่ ขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมที่ได้ทำเอาไว้ถ้าได้ทำบุญเต็มที่และได้ชำระบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดก็จะเป็นใจที่มีแต่ความสุขอย่างเดียวเรียกว่าปรมงสุขขังเรียกว่านิพพานนี่คือใจที่พระพุทธเจ้านัใจของพระอรหันตาสาวกซึ่งเป็นใจเหมือนของพวกเรานี้ก่อนที่จะเป็นใจ พระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์ท่านก็เป็นใจเหมือนของพวกเรายังมีกิเลสตัณหามีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากต่างๆแต่หลังจากที่ท่านได้ชำระจนสะอาดหมดจดแล้วก็กลายเป็นพระนิพพานไปเป็นปรมังสุขขังไปมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์และก็ไม่มีความเสื่อมด้วย มีความสุขไปไม่มีวันหมดสิน้นไม่เหมือนกับความสุขของเทวดาหรือของพรหมที่จะเสื่อมหมดไปหรือความทุกข์ของเปรตหรือของนรกนี่ก็มีการเสื่อมหมดไปได้เหมือนกันเป็นเหมือนไฟที่ไหม้พอเชื้อหมดแล้วมันก็ดับไปบุญก็บุญก็เป็นเชื้ออย่างหนึ่งบาปก็เป็นเชื้ออย่างหนึ่งบุญก็เป็นเชื้อของความเย็นของความสงบ บาปก็เป็นเชื้อของความร้อนของความวุ่นวายใจนี่คือเรื่องของใจเราเป็นอย่างนี้ใจของเราไม่มีวันสาบสูนไม่มีวันหายไปไม่มีวันถูกทํำลายได้มีแต่ว่าจะเปลี่ยนไปในทางไหนเท่านั้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็ได้เปลี่ยนในทางไปในทางที่ไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราในแต่ละวันในแต่ละล ขณะจิตทุกขณะจิตนี้เราทําบุญทําบาปกันอยู่ตลอดเวลาเราคิดไม่ดีนี้ก็เป็นบาปแล้วเราคิดดีก็เป็นบุญแล้วดังนั้นเราจึงควรคิดให้ดีอยู่เรื่อยๆคิดด้วยความเมตตากรุณามุนีต า, า, า, ตาอุเบกขาเราก็จะพูดดีทําดีตามมาถ้าเราคิดด้วยความโลภโมโทสันเราก็จะคิดไม่ดีทันที เราก็จะคิดร้ายพูดร้ายแล้วก็จะทำร้ายแล้วเราก็จะเราก็จะสร้างเชื้อของความทุกข์ของความวุ่นวายของความร้อนเข้ามาเผาใจของเราเองถ้าเราคิดดีคิดทำบุญคิดช่วยเหลือผู้อื่นคิดทำจิตใจให้สงบคิดปลงวางปล่อยวางตัดความโลภความโกรธความหลง ตัดความยึดความติดในสิ่งต่างๆทั้งหลายใจของเราก็จะสะสมเชื้อของความสงบเชื้อของบุญให้มีมากขึ้นไปทำให้ใจของเรามีความสงบมีความสุขมากขึ้นไปจนสงบและสุขอย่างถาวร อ, อย่างใจของพระพุทธเจ้าและพระอาลนยต่อสาวกทั้งหลาย <Yeah. S 2> ใจของพวกเราก็จะสามารถเป็นแบบนั้นได้เช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าไม่ได้สมุนทิคสิทธิ์ความจริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชวนเชิญพวกเราให้ไปกับท่านด้วยการปฏิบัติทั้งสองส่วนนี้คือคันถะธุระและวิปัสนาธุระถ้าเราทําตามที่ท่านทรงสอนได้รับรองได้ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพระอาหารหันตสาวกอย่างแน่นอนเพราะทํานี้ เป็นเหตุและผลไม่ได้เป็นสิ่งที่ใครจะสามารถมาจดสงวนลิขสิทธิ์ไม่ให้ผู้อ่นเอาไปใช้ได้ผู้ใดจเจริญเหตุคือคัณถะทุระและวิปัสนาทุระได้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นก็จะได้รับใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่มีแต่บารมณสุขปารมังสุขขังไปเป็นสมบัติ ดังนั้นขอให้พวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนขอให้พยายามทำหน้าที่ทำทุระของเราให้สมบูรณ์เถิดแล้วสิ่งต่างๆที่เราปรารถนากันนั้นจะเป็นผลที่เราจะได้รับอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแกเวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุ้สมผลบุญ